ไตรปิดกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่24พระสุตตันตปีดกอังคุตรนิกายทัศ ก, กะเอกะทะัศ ก, กนิบาทพระสุตตันตปิดก อังคุตระนิกายทศกานิบาทขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งปฐมมะปันนาฏหนึ่งอานิสังสวรหมวดว่าด้วยอานิสงหนึ่งกีมัติยะสูตรว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับผลแห่งศีลข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนลสิ่งที่เป็นกุศลมีอวิปปิสารความไม่ร้อนใจเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอนิสง์อวิปปิสารมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสง์พระพุทธเจ้าค่ะอานน์อวิปปิสารมีปราโมทความบันเทิงใจเป็นผลมีปราโมทเป็นอานิสง์ ปราโมทมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงฆ์พระพุทธเจ้าข่าอานนท์ปราโมทมีปิติความอิ่มใจเป็นผลมีปิติเป็นอนิสงฆ์ปิติมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงฆ์พระพุทธเจ้าข่าอานนท์ปิติมีปสัสสิความสงบกายสงบใจเป็นผลมีปัสสติเป็นอนิสงฆ์ ป e Th todos, ัสธิมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงฆ์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ปัสธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงฆ์สุขมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงฆ์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงฆ์สมาธิมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงฆ์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ สมาธิมียถาภูตยานัทสนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเป็นผลมียถาภูตยานัทสนะเป็นอานิสง์ยถาภูตยานัทสนะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสง์พระพุทธเจ้าค่าอานุ์ยถาภูตยานัทสนะมีนิพพทาความเบื่อน่ายและวิราคะความคลายกำหนัดเป็นผลมีนิพพทาและวิราคะเป็นอานิสง์ นิพพทาและวิราคะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์นิพพทาและวิราคะมีวิมุติญาณทัศนะความรู้ความเห็นในวิมุติเป็นผลมีวิมุติญาณทัศนะเป็นอนิสงส์อานนท์ศีลนที่เป็นกุศลมีอวิปปติสารเป็นผลมีอวิปติสารเป็นอนิสงส์อวิปปติสารมีปราโมทย์เป็นผล มีปราโมทเป็นอานิสงส์ปราโมทมีปีติเป็นผลมีปีติเป็นอานิสงส์ปีติมีปัสสติเป็นผลมีปัสสธิเป็นอนิสงส์ปัสสติมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอนิสงส์ส um ุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์สมาธิมียถาภูตยานัทสนะเป็นผลมียถาภูตยานัทสนะเป็นอานิสงส์ ยถาภูตยานัทสนะมีนิพิทาและวิราคะเป็นผลมีนิพิทาและวิราคะเป็นอนิสงฆ์นิพิทาและวิราคะมีวิมุติยานัทสนะเป็นผลมีวิมุติยานัทสนะเป็นอนิสงฆ์อย่างนี้อานนล์ศีลที่เป็นกุศลย่อมทําอรหัตผลให้บริบูรณ์โดยลําดับอย่างนี้แลกิมัตติยสูตรที่หนึ่งจบ เจตนากรณียสูตรว่าด้วยกรรมที่ไม่ต้องทำด้วยความตั้งใจพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลไม่ต้องตั้งใจว่าขออวิปติสารจงเกิดขึ้นแก่เราการที่อวิปฏิสารเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีล น, นี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีอวิปติสารไม่ต้องตั้งใจว่า ขอปราโมจงเกิดขึ้นแก่เราการที่ปราโมจงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีอวิปปิสารนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีปราโมดไม่ต้องตั้งใจว่าขอปีติจงเกิดขึ้นแก่เราการที่ปีติเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีปราโมดนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติไม่ต้องตั้งใจว่าขอกายของเราจงสงบ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 บุคคลผู้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ต้องตั้งใจว่าขอเราจงทําให้แจ้งวิมุติยานัทสนะการที่บุคคลผู้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดทําให้แจ้งวิมุติยานัทสนะนี้เป็นธรรมดานิพิธาและวิราคะมีวิมุติยานัทสนะเป็นผลมีวิมุติยานัทสนะเป็นอานิสง์ยถาภูตยานัทสนะมีนิพิธาและวิราคะเป็นผล มีนิพพทาและวิราคะเป็นอนิสงส์สมาธิมียะถาภูตยานัทสนะเป็นผลมียะถาภูตยานัทสนะเป็นอนิสงส์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอนิสงส์ปัสสติมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอนิสงส์ปีติมีปัสสติเป็นผลมีปัสสติเป็นอนิสงส์ปราโมทมีปีติเป็นผลมีปีติเป็นอนิสงส์ อวิปปิสารมีปราโมทเป็นผลมีปราโมทเป็นอนิสงส์ศีลที่เป็นคูุชนมีอวิปปิสารเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอานิสงส์พิสุทั้งหลายธรรมทั้งหลายย่อมลังลายไปสู่ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายย่อมไม่ธรรมทั้งหลายบริบูรณ์เพื่อออกจากฝั่งนี้สู่ฝั่งโน้นอย่างนี้แหลเจตนากรณียสูตรที่สองจบ 3. ปพระธมมะอุปนิสสะสูตรว่าด้วยทำมีเหตุให้ถูกขจัดสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาวิปติสารของบุคคลผู้ทุศีล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 สุขของบุคคลผู้มีปัสสติวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสุขไม่มีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีสุขวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตยานัทสนะ ข, ของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยถาภูตยานัทสนะไม่มีนิพิทาและวิราคะของบุคคล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 อวิปปิสารของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออวิปปิสารมีปราโมชของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปิสารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปราโมชมีปีติของบุคคลผู้ม ส, tahu, สมบูรณ์ด้วยปราโมชชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปีติมีปัสสติของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปีติชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์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 ปราโมทของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปิสารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์และถึงเมื่อนิพิธาและวิราคะมีวิมุติญาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิธาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์สเก็เปลือกกระพีแม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์ฉะนั้น ปธมะอุปนิสสูตรที่สจบ 4. ทุติยอุปนิสสูตรว่าด้วยถ้ามีเหตุให้ถูกขจัดสูตรที่สองณที่นั้นแล พระสารีบุตรได้เดรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายอาวิปปิสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปปิสารไม่มีปราโมทของบุคคลผู้มีอวิปปิสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปราโมทไม่มีปิติของบุคคลผู้มีปราโมทวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว เมื่อปีติไม่มีปัสสติของบุคคลผู้มีปีติวิบัติ ช, ตตขข outlook, ชื่อว่ามีเหตุถูกกระจัดแล้วเมื่อปัสสิไม่มีสุขของบุคคลผู้มีปัสสถิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกระจัดแล้วเมื่อสุขไม่มีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีสุขวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกระจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียะถาภูตยานทัศนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติ ชื่อว่ามีเหตุถูกกระจัดแล้วเมื่อยะถาภูตยานทัศนะไม่มีนิพิทาและวิราคะของบุคคลผู้มียะถาภูตยานทัศน์วิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกกระจัดแล้วเมื่อนิพิทาและวิราคะไม่มีวิมุติยานทัศนะของบุคคลผู้มีนิพิทาและวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกกระจัดแล้วอาวิปติสารของบุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปติสารไม่มีปราโมทของบุคคลผู้มีอวิปติสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วละถึงเมือ่อนิพิทาและวิราคะไม่มีวิมุติยานทัศนะของบุคคลผู้มีนิพิทาและวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้วสเก็ต เปลือกกระพี้แม้แก่ของต้นไม้นั้นย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นอาวิปติสารของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออวิปติสารมีปราโมทของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยาอาวิปติสรรารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปราโมทมีปิติของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปราโมทชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปิติมี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 ทุติยอุปนิสสสูตรที่สจบ 5. ตติยอุปนิสสสูตรว่าด้วยท้ามีเหตุให้ถูกขจัดสูตรที่สามณที่นั้นแหล ท่านพระอานนท์ได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายอวิปปิสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปปิสารไม่มีปราโมชของบุคคลผู้มีอวิปปิสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปราโมชไม่มีปิติของบุคคลผู้มีปราโมชวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว เมื่อปีติไม่มีปัสทิของบุคคลผู้มีปีติวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปัสสิไม่มีสุขของบุคคลผู้มีปัสสิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสุขไม่มีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีสุขวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตยานัทสนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติ ชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยะถาภูตยานทัศนะไม่มีนิพิทาและวิราคะของบุคคลผู้มียะถาภูตยานทัศนะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพิทาและวิราคะไม่มีวิมุติยานทัศน์ของบุคคลผู้มีนิพิทาและวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วอาวิปัิสารของบุคคลผู้ถูกศีล มีศี ast, วล ว, ออ ว, ว, บล ว, วิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปปิสารไม่มีปราโมทของบุคคลผู้มีอวิปปิสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วละถึงเมื่อนิพิธาและวิราคะไม่มีวิมุตติญาณทัศนะของบุคคลผู้มีนิพิธาและวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้วสิเก็ด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 เมื่อยถาภูตยานทัศนะมีนิพิทาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตยานทัศนะชื่อว่ามีเหตุสมบ e sí ูรณ์เมื่อนิพิทาและวิราคะมีวิมุตยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ผู้มีอายุทั้งหลายอวิปปติสารของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีล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 แมกแกนของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์เะนั้นตาติยะอุปนิสสูตรที่5จบหกสมาธิสูตรว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุครั้งนั้นแล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 ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแต่ต้องมีสัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์มีได้การที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้าในธาตุไฟว่าเป็นธาตุไฟในธาตุลมว่าเป็นธาตุลมในอากาสารนัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนะฌาน ในวิญญาณัญจายตนะฌา น, นาาว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานในอาคินัญญายตนะฌานว่าเป็นอากินัญญายตนะฌานในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแต่ต้องมีสัญญาท่านพระอานน์ทูลถามว่า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 <Jub ilee> ในอากินจัญญายตนะฌานว่าเป็นอากินจัญญายตนะฌานในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแต่ต้องมีสัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ว่า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 ในธาตุลมว่ in าเป็นธาตุลมในอากาศานัญจาตยตนะชาญว่าเป็นอากาศานัญจาตยตนะชาญในวิญญาณัญจาตยตนะชาญว่าเป็นวิญญาณัญจาตยตนะชาญในอากินัญญายตนะชาญว่าเป็นอากินัญญายตนะชาญในเนวสัญญานาสัญญายตนะชาญว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะชาญในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้ ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแต่ต้องมีสัญญาสมาธิสูตรที่หจบเจ็ดสารีบุตตะสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรต่อปัญหาพระอานนท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 ในธาตุลมว่าเป็นธาตุลมในอากาศสารัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาศสารัญจายตนะฌานในวิญญาณัญจายตนะฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานในอากินจัญญายตนะฌานว่าเป็นอากินจัญญาอตนะฌานในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้ ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแต่ต้องมีสัญญาท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านอานนนมีได้การที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินละถึงในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแต่ต้องมีสัญญาท่านพระอานน์ถามว่าท่านสารีบุตรมีได้อย่างไร การที่พิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินละถึงในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแต่ต้องมีสัญญาท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านอานนนสมัยหนึ่งผมอยู่ที่ป่าอันทวันเขตกรุงสาวัตถีนี่แลณนะที่นั้นผมได้เข้าสมาธิโดยไม่มีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้า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 ในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแต่ผมเป็นผู้มีสัญญาท่านพระอานนนถามว่าในสมัยนั้นท่านสารีบุตรเป็นผู้มีสัญญาอย่างไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ผมว่าความดับภพบเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานสัญญาอย่างหนึ่งดับไปผู้มีอายุ สัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ผมว่าความดับพบเป็นนิพพานความดับพบเป็นนิพพานสัญญาอย่างหนึ่งดับไปเปรียบเหมือนเมื่อไฟมีเชื้อกําลังไหม้อยู่เปเลวไฟอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเปเลวไฟอย่างหนึ่งดับไปฉะนั้นผู้มีอายุในสมัยนั้นผมได้มีสัญญาว่าความดับพบเป็นนิพพานสารีปุตตสูตรที่เจจบ ชาณสูตรว่าด้วยภิกษุผู้มีชาญพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีล เมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลแต่ไม่เป็นพระหูสูตรละถึงเป็นพระหูสูตรแต่ไม่เป็นธรรมกะเถกเป็นธรรมกะึกแต่ไม่เข้าไปสู่บริษัทเข้าไปสู่บริษัทแต่ไม่แกล้วกล้ า, าแสดงธรรมแก่บริษัทแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแต่ไม่ทรงวินัย ทรงวิไนแต่ไม่อยู่ป่าเป็นวัดและไม่อยู่ในเสนาสนะอันสงัดอยู่ป่าเป็นวัดและอยู่ในเสนาสนะอันสงัดแต่ไม่ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลาบาก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 เป็นพระหูสูตรหนึ่งเป็นธรรมกะึถกหนึ่งเข้าไปสู่บริษัทหนึ่งแก ล, กล้าแกลาแสดงธรรมแก่บริษัทหนึ่งทรงวินัยหนึ่งอยู่ป่าเป็นวัดและอยู่ในเสนาสนะอันสงัหนึ่งได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากหนึ่งทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ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 สันตะวิโมคขสูตรว่าด้วยสันตะวิโมกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลเป็นผู้มีศีลแต่ไม่เป็นพหูสูตรเป็นพหูสูตรแต่ไม่เป็นธรรมกะถึกเป็นธรรมะกถึกแต่ไม่เข้าไปสู่บริษัทเข้าไปสู่บริษัทแต่ไม่เป็นผู้แกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแกล้าแสดงธรรมแก่บริษัท แต่ไม่ทรงวินัยทรงวินัยแต่ไม่อยู่ป่าเป็นวัดและไม่อยู่ในเสนาสนะอันสงัดอยู่ป่าเป็นวัดและอยู่ในเสนาสนะอันสงัดแต่ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานเสียได้ด้วยกายอยู่ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานเสียได้ด้วยกายอยู่แต่ไม่ทาให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ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 ได้สัมผัสสันตะวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปฌานเสียดาด้วยกายอยู่และทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งมีศีลหนึ่งเป็นพระหูสูตรหนึ่งเป็นธรรมกระถึกหนึ่งเข้าไปสู่บริษัทหนึ่งกล้าวกล้าแสดงทำแก่บริษัทหนึ่ง ทรงวินหนึ่งอยู่ป่าเป็นวัดและอยู่ในเสนาสนะอันสงัดหนึ่งได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปประชานเสียได้ด้วยกายอยู่หนึ่งทำให้แจ้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันหนึ่งเมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิประการนี้แหลจึงชื่อว่าเป็นผู้ขอให้เกิดความเลื่อมสายได้รอบด้านและเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงสันตะวิโมคขสูที่เก้าจบสิบ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 เธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลแต่ไม่เป็นพู้หูสูตพเป็นพหูสูตพแต่ไม่เป็นธรรมกถึกเป็นธรรมกถึกแต่ไม่เข้าไปสู่บริษัทเข้าไปสู่บริษัทแต่ไม่แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแต่ไม่ทรงวินยัยทรงวินยัยแต่ระลึกชาติก่อนไม่ได้หลายชาติ คือหนึ่งชาติบ้าง2ชาติบ้างละถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้าง2ชาติบ้างละถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้แต่ไม่เห็นหมูสัตว์ละถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ไม่รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเห็นหมูสัตว์ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ ละถึงรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมแต่ไม่ทำให้แจ้งละถึงเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้เธอจึงชื่อว่าไม่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยองนั้นเธอพึงบำเพ็ญองนั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผหูสูตรเป็นธรรมกรถึกเข้าไปสู่บริษัท กล้าวกล้าแสดงทาแก่บริษัททรงวินัยระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เห็นหมูสัตว์และถึงด้วยตาทิพย์แอมบริสุดเหนือมนุษย์รู้ชาดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมทาให้แจ้งละถึง เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งมีศีลหนึ่งเป็นพระหูสูตรหนึ่งเป็นธรรมกถระถหนึ่งเข้าไปสู่บริษัทหนึ่งแกล้ากล้าแสดงธรรมแก่บริษัทหนึ่งทรงวินัยหนึ่งระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างละถึง ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้หนึ่งเห็นหมูสัตว์ละถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชาติถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมหนึ่งทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันหนึ่งเมื่อนั้นภิกษุจึงชื่อว่า เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลจึงชื่อว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสได้รอบด้านและเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงวิชาสูตรที่1ิบจบอานิสังสวรที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวรท์นี้คือ 1. นึกมัติยสูตรสอง เจตนากรณยสูตร 3. ปฐมมอุปนิสสสูตร 4. ทุติยอุปนิสสสูตร 5. ตติยอุปนิสสสูตร 6. สมาธิสูตร 7. สารีปุตตะสูตร 8. ชาณสูตร 9. สันตะวิโมกขสูตร 10. วิชาสูตร